ปาร์ตี้น้ำชาเปลี่ยนชีวิตกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณดินแดนอันไกลโพ้นที่มีชื่อว่าเกาะแห่งความราบเรียบมีพระราชาสิสี่ชั้นสาปกครองพระองค์ชื่อว่าพระราชาผู้โหยหาพระราชาผู้โหยหาได้เปลี่ยนชื่ออาณาจักรสมัยซึ่งเมื่อก่อนเคยถูกเรียกว่าเกาะแห่งความเพลิดเพลินอ๋อทุกอย่างในอาณาจักรนี้มาช่างตืดชืดและน่าเกลียดช่างเป็น ที่ที่น่าเบื่อที่สุดในโลกสินี่กระไรผู้ดูแลและสมาชิกสภา พ, พยายามทุกวิถีทางที่จะทําให้พระองค์ทรงมีความสุขขึ้นบ้างแต่มันก็ไม่เคยสําเร็จเกาะกลมๆเรียงกันห้เกาะเนี่ยนะถ้ามันเป็นทรงเหลี่ยมบ้างคงมีอะไรที่ต่างออกไปเมื่อพระราชาทรงยืนขึ้นและทรงสมมนะตต่อตอนเองพระองค์ทรงได้ยินเสียงของเด็กผู้หญิงร้องเพลงอันแสนประหลาด เหนะืหัวสอกสันออกมาเล่นกันหนังหวันวงนี้รีบแรงให้ไหวฉันมีเรื่องจ ะ, ะแถลงขายห น, นหวนวงนี้ไปอย่าให้ฉันต้องร้องอยู่ได้เจ้าชายผู้โหยหาทรงได้ยินบทเพลงนั้นเข้าก็ทรงตื่นเต้นเร้าใจพระองค์ทรงวิ่งออกจากปราสาทลงมาจากเขาตรงดิ่งไปยังสีนั่นในขณะเดียวกันนั้นเด็กสาวก็สังเกตได้ว่าพระชาทรงวิ่งตรงดิ่งมาหาเธออ้เนี่เจ้า เจ้าเป็นคนร้องเพลงเหรอเจ้ามาจากไหนอะแล้วเจ้าเป็นใครกันแฮให้ตายสิพระราชาทรงมีคำถามเยอะชะมัดหม่อมฉันชื่อตาใสหม่อมฉันเองที่ร้องเพลงเรียกพระองค์ท่านออกมาโอ้แต่ว่าทำไมเจ้าถึงเรียกข้าออกมาล่ะนักมายากรลผู้ที่อาศัยอยู่ไกลาจากที่นี่สักเล็กน้อยไี่บอกกับหม่อมฉันว่าให้มาร้องเพลงให้ท่านฟังข้า ไม่รู้จักนักมายากลคนไหนเลยจริงเหรอเพคะงั้นเจ้าทรงเป็นพระราชาไปทําไมกันเล่าถ้าพระองค์ทรงไม่รู้จักผู้คนที่อาศัยอยู่ในราชาอาณาจักรของท่านพระราชาผู้โหยหามีสีหน้าอับอายหรือว่าพระองค์ทรงไม่มีความสุขเอาเช่นเลยใช่ไหมเพคะถ้าจะมีความสุขไปทําไมเล่าในอาณาจักรที่เศร้าโศกไร้สีสันอย่างนี้พระองค์ตรัสเรื่ออะไรกั น, น อาณาจักรของพระโอเนียดีที่สุดในโลกเลยนะไร้สาระเจ้าขึ้นเขามากับข้าเลยแล้วเจ้าจะได้เห็นว่าอาณาจักรเนี่ยมันเป็นยังไงกันพระราชาและเด็กสาวปีกขึ้นไปบนยอดกันเมื่อพวกเขาขึ้นไปอย่างยอดเขาพวกเขาก็มองลงมาสู่อาณาจักรนั่นไงเจ้าไม่เห็นหรอดว่าอะไรอะไรก็ไร้สีสันไปสมบูเลยไร้สีสัน แสงอาทิตย์ส่งลงมาอย่างไร้เขาโพดและพระองค์ทรงเห็นดอกไม้ใหญ่สีแดงสีฟ้าตรงนั้นไหมแดงเหรอฟ้าเหรอข้าเห็นแต่ดอกไม้สีเทาะงั้นเออแล้วทะเลเหรอเธอจะต้องรู้สิว่ามันไม่เคยเปลี่ยนไปแน่เอวแต่ทะเลมันมีรูปล่างที่ต่างกันนี่นะแถมเสียงมันก็แตกต่างกันอีกด้วย นี่เจ้าเป็นแม่มดงั้นเหรออาปล่เลยเพคะแต่ถ้าหม่อมฉันไม่เป็นแล้วก็หม่อมฉันจะช่วยให้พระองค์เห็นความชอบแทนที่ความผิดพระเองิงทรงดูอะไรไหมทําไมเราไม่ไปห า, น, า, ากกนังมาหยาบกินและขอให้เขาช่วยพระองค์ตาสว่างดีไหมละ่ะพระราชาผู้หอยหาสงแ่ไม่ต้องคิดและทรงตอบรับทันที ทั้งคู่วิ่งลงเขาไปและไม่นานนักก็ถึงริมตลิ่งของแม่น้ำอันสวยงามมันมีเรือทรงกลมเล็กๆรูปร่างเหมือนอ่างน้ำรอคอยพวกเขาอยู่และทั้งคู่ก็กระโดดลงเรือไปอสนุกจังเลยเจ้าจะทำเรือไม่นิ่งนะถ้ามมไม่นั่งดีๆนั่งลงซะเลยข้าพายข้าจะพาเจ้าลงไปลำทานพระเอิมสงแท้ไม่ต้องทาอะไรเลยกับเรือ ที่นัก ม, ยกม า, ายากลมอบให้หน่อมฉันมันจะพาเราไปที่ไหนก็ตามที่เราต้องการเพคะพวกเขานันอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์เมื่อเรือค่อยๆลอยละล่ลองไปพวกเขานำมือลงไปกับแม่น้ำและก็โชคดีที่ไม่ตกลงไปตอนที่ทำแบบนั้นชักสุขเหลือเกินสำหรับพวกเขาทั้งสองคนเมื่อเรือหยุดพวกเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ที่สุดปลายหาดแล้ว จากนั้นไปอีกนิดเลียบหาดก็คือบ้านของนักมายากลพวกเขาเดินเข้าไปในถ้ำและหาประตูที่เปิดอยู่พวกเขาเดินเข้าไปว้าวนี่ถ้ำเหรอเนี่ยพระราชาผู้หอยหาถึงกับทรงตนลึงงนันด้วยความงามภายในถ้ำเมื่อพระองค์ทรงมองเห็นนักมายากลชาราผู้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้และทรงยิ้มให้พวกเขาตาใสาวิ่งไปหาเขา หนูพาพระราชาสเสด็จมหาคุณคุณจะเป็นนักมายากลที่ดีและช่วยปลป่อยพระราชาได้ไหมนักมายากลยืนขึ้นและจับมือกับพระราชาพยายามทำให้พระองค์รู้สึกผ่อนคลายหนูเป็นเด็กดีทีเดียวที่เดียกฉันมาตอนเวลาชาพอดีฉันเองไม่ชอบดื่มชาคนเดียวที่นี่หนูอยากดื่มมันบนพื้นไหมล่ะหรือจะให้ฉันเรียกโต๊ะมา พระราชาส่งเลือกนั่งที่พื้นเนื่องจากพระองค์เสวยพระกยอาหารบนโต๊ะอยู่เป็นนิตแต่ตาสายอยากลองเห็นว่าจะเป็นอย่างไรถ้าพวกเขาเลือกนั่งที่โต๊ะขาเต่าดีกว่านักมายากลพยักหน้าและยืนอยู่บนพื้นจากนั้นโต๊ะและเก้าอีอีกสามตัวก็เดินเรียงกันเข้าประตูมาเหมือนกับที่ค้นยืนอยู่บนพื้นเลยโอเค ทามีรมามาก่อนเลยว่าโตกับก็อี้เดินได้ด้วยแล้วพวกมันจะมีสีขาไปทำไมกันเล่านักมายากลตเตรียมและจุดไฟเพื่อชองชาจากนั้นเด็กทั้งสองคนก็เข้าไปในตู้ของเขาเพื่อหยิบถ้วยโถโอชามและของกินอร่อยๆพวกเขาเพลิดเพลินมากที่ได้เห็นตู้ที่เต็มไปด้วยครีมช็อกโกแลตและเค้กลูกพลัมปาที่น้ำชาแสานสุข นักมายากลและเด็กๆพูดคุยกันทุกเรื่องเลยในขณะที่จิบชาร้อนกันไปแถมยังอร่อยไปกับเ ค, ค้กด้วยในที่สุดเด็กๆทั้งคูก็รู้ละว่าทำไมพวกเขาถึงได้มาเจอกับนักมายากลนักมายากลข้ามีเรื่องให้ช่วยมันมีบางอย่างกับการมองเห็นของข้านะโอ้แน่นอนมันมีสินะมีพวกกีคลาดปล้อยฝุนผงลงในพระเนตรเมื่อพระองค์ทรงพระเยาว พระองค์จึงทรงมองไม่เห็นแบบที่คนอื่นเขาเห็นกันทําไมล่ะทําไมพวกเขาต้องปล่อยฝุ่นโผลลงไปในตาข้าพวกเขาไม่ได้ถูกรับเชิญไปงานเลี้ยงฉลองเมื่อพระองค์ประสูติแค่นั้นเองผู้เจ้าขี้คลาดไม่ชอบใจและพวกเขารู้ดีว่าต้องทํำยังไงสิ่งที่ดีที่สุดที่พระองค์จะพอทรงทําได้คือเสด็จไปยังดินแดนตาขาวและทรงขอกดพวกนั้นถอนคํำสาบ แต่ว่าระวังนะเพราะมันเป็นห้นทางที่ยาวไกลเลยล่ะเดี๋ยวมัมฉันไปด้วยเพคะมัมฉันปรารถนาจะไปดินแดนอีกฝั่งของดวงอาทิตย์เราจะไปที่นั่นกันยังไงคะคุณนักมายา ก, กลเส้นทางปกติก็คือการปีนขึ้นไปตามลําแสงอาทิตย์แต่เดี๋ยวฉันจะส่งเธอไปยังแสงฟ้าผ่าเขานำถุงขนาดใหญ่ที่ป้ายติดว่าหายุจากชั้นวางลงมาและจ้วงมือลงไปอย่างรวดเร็ว จะสายยืนอยู่ไกลๆกับพระราชามากกว่าเดิมและหวังว่าจะไม่มีอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นพระราชาทรงอบกอดตัวเธอเพื่อให้เธอรู้สึกสบายใจกระหมอมดูแลมันเองมันจะไม่ไปพาใครหรอกนะตราบที่พระองค์ค่อยๆจับมันเบาๆที่นี้พระองค์ก็ไปพร้อมลำแสงได้เลย แต่พวกเขาก็ไม่มีเวลาที่จะมองเห็นอะไรเลยแถมพบ ว, ว่าตัวเองอยู่อีกฝั่งของดวงอาทิตย์ซะแล้วไม่นานนะักพวกเขาก็ล้มลงพื้นพวกเขากตกลงมาโดยที่ไม่ไหวติงพวกเขาลรูคืนขยี้ตาแล้วก็มองไปโดยรอบเออคิดไม่ถึงเลยแฮว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วจะคิดว่ามันจะเป็นยังไงแหละเจ้าคลาดยืนอยู่บนหัวตัวเอง ซึ่งนั่นเป็นวิธีที่เจ้าขลาชอบที่จะพักขาของตนเองมันมันน่าจะมีหมอกแต่ไปหมดห ม, หมอกหมองเหลืองๆไงใช่ไหมฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นหมอกสีเหลืองนะมันดูเหมือนแสงอาทิตย์แสนฮอดฮูมากกว่าเจ้าพูดถูกพวกคนที่อาศัยอยู่ด้านหน้าดวงอาทิตย์พวกที่เรียกว่าหมอกเหลืองพวกเขาถูกทำหาจากมืดบอดด้วยแสงอาทิตย์ของตัวเอง นี่คือด้านหลังดวงอาทิตย์เขาว่าแสงอาทิตย์ที่สดใสน่าดีที่สุดแล้วซื่อมือจังเลยในดินแดนตาขาวเจ้าจะได้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์ไม่มีอะไรไม่ดีไม่มีโรคแพ้แสงไม่มีจุดดำบนดวงอาทิตย์ตลกดีที่เจ้ามองไม่ออกนั่นคือความผิดของเจ้าถ้าเพื่อนเจ้าไม่ปล่อยฝุ่นผงลงในตาขา ข้าคงจะเห็นดินแดนตาขาวด้วยแสงที่เจิดจ้าโ อ, โอ้เจ้ามาถึงที่นี่เพื่อถอนคำสาบแล้วเอาเถอะมันคงไม่มีประโยชน์อะไรแล้วตอนนี้เจ้ากลับไปซะเถอะมันไม่สาคัญหรอกว่าเจ้าจะเห็นสิ่งต่างๆแบบผิดๆมันไม่เป็นไรหรอกเราถึงอยากให้คืนช่วยถอนคำสาบยังไงล่ะเด็กโปรด เจ้าขาดกระโดดเอาขาลงมาแล้วเขาก็นึกได้ว่าวิธีแก้คืออะไรมีอย่างหนึ่งที่ต้องทำไม่สําเร็จเจ้าจะต้องเปลี่ยนดวงตากันยังไงดีล่ะเด็กๆจ้องไปที่เจ้าขาดและมองหน้ากันอกเองเยี่ยมเลยทำยังไงล่ะคะง่ายจะตาย เจ้าต้องขอพรด้วยใจว่าจะรับตาพระราชาไปแทนที่ตาของตัวเองน่จากนั้นมันก็จะสำเร็จหยุดก่อนนะถ้าเขาเอาดวงตาของเธอมาเธอก็เห็นสิ่งต่างๆแบบผิดแผกแล้วสิพระราชาตรัสช้าเกินไปเมื่อตาสายขอพรไปแล้วว่าจะแลกเปลี่ยนตาของเธอก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัวซะ อ, อีกดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเข้ม และดวงตาของพระราชาก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลพระราชาโกรธเคืองเจ้าขลาดมากในขณะที่ตาใสาหัวเราะ ก, กับสิ่งที่เกิดขึ้นดูซิว่าเธอทำอะไรเธอจะเห็นสิ่งต่างๆไม่เข้าท่าตลอดไปนะเนี่ยซื้อบื้อไปหน่อยเลยพ่อนุ่มพาจะกลับบ้านซะแล้วลองมองอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยตัวเอง ก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัวพวกเขาก็ยืนอยู่บนยอดเขาและมองลงมาอยาอ่างอาณาจักรของเกาะแห่งความราบเรียบโอ้นี่อาณาจักรของฉันเหรอเนี่ยมันสวยงามจังดูสิว่าแสงอาทิตย์สองไปทุ่งข้าโพดและดูรงมดอกไม้สีแดงกับสีฟ้าตรงนั้นเจ้าว่าเมนนี้สวยใช่ไหม สายยิ้มด้วยใจที่ตรงกันตอนนี้เองเธอเห็นแค่เกาะกลมๆทั้งห้าเรียงกันเพคะอย่างนั้นเลยตามที่พระองค์ตัดว่าอาณาจักรนี้งดงามจากนั้นพวกเขาก็มองผ่านดวงตาของกันและกันเมื่อเวลาผ่านไปพระราชาผู้หอยหาทรงแต่งตั้งให้ตาสายขึ้นเป็นราชนีแห่งหมู่เกาะราบเรียบเธอสวมมงกุฎแทนที่จะเป็นหมวกกันแดด เธอได้มอบการมองเห็นของเธอให้แก่พระราชาโดยที่ไม่คำนึงถึงตนเองและเธอก็ยังมีความสุขนั่นคือพลังแห่งความจริงใจและรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนี่เป็นการนำความสุขอันสูงสุดมาสู่ใจเรา